ข้อความในคำภีพุทธวงศ์ต่อจากครั้งที่แล้วมาขึ้นวงของพระปทุมุตระพุทธเจ้าพระปทุมุตระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะซึ่งใครที่อ่านเทรคาถามากๆจะได้ยินชื่อพระองค์บ่อยมากเพราะว่าหมู่พระสาวกที่สร้างบารมีมาแสนกับพระสาวกเหล่านั้นจะอ้างพระปทุมมุตระพุทธเจ้าทุกองค์เลย ได้ตั้งแต่พระอานนท์พระมหากัสปะพระอนุรุทธะนี่พระอาหุนเป็นต้นเนี่ยพระาหุนก็มาสร้างบารมีในเริ่มเป็นจริงเป็นจังอะนะเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระสําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็เกิดขึ้นในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระและพระพุทธเจ้าปทุมมุตระก็พยากรณ์พระองค์ ข้อความในพุทธวงศ์ต่อเนี่ยนะพระปฐมมุตระพุทธเจ้าที่ส0ต่อจากสมัยของพระนารทะพุทธเจ้าเนี่ยนะแดงว่าวันเวลาผ่านไปหมดไปแล้วสี่อสงไข่นะหมดสิ้นสี่อสงไข่ก็เหลืออีกแค่แสนกลับเนี่ยนะถ้ากล่าวกันเป็นอสงไขยนั้นแสนกลับถือว่าเล็กน้อยเนี่ยนะแล้วก็มาเหลือแสนกลับละผลจาก พระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาถึงพระพุทธเจ้าประทุมุตระนี่ใช้เวลาห่างเป็นอ ส, สงไขยผันใครที่สร้างบารมีที่จะเป็นเอตทักคะเป็นอะไรเนี่ยถ้าในช่วงระหว่างเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่ได้เป็นเอตทักคะและใครจะมาตั้งให้แต่ก็บอกว่าขอให้สั่งสมบุญไว้ให้เต็มเตี่ยมเถอะถึงเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าก็อาจจะได้เป็นพระพัเจ้ พ, พุทธเจ้า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 ถ้ามัชิมะวัยตรัสรู้ไม่ได้ก็ตรัสรู้ในคราวปัจฉิมวัยคือตอนอายุมากๆในนะถ้าสั่งสมดีศึกษาดีปฏิบัติดีอายุมากก็พร้อมที่จะตรัสรู้ได้ถ้าตอนอายุมากอย่างนั้นก็ยังไม่ตรัสรู้อีกก็สามารถที่จะตรัสรู้ยามใกล้ใกล้จะสิ้นใจว่างั้นใกล้จะสิ้นใจใกล้จะเร็ว ม, มรณะสมัยยามใกล้จะตายก็สามารถที่จะเห็นอริยสัจได้ มันก็น่าจะเห็นอยู่หรอกนะความตายเข้ามาร่มร่อยแล้วนะทีนี้ถามว่าถ้าไม่ตรัสรู้นยามมรณะสมัยเป็นเทพพบุตรเนี่ยนะพออาจจะต้องเปลี่ยนปฏิสนธิเปลี่ยนปฏิสนธิเพราะว่าชาติที่ชาติก่อนไม่ได้บรรลุเพราะอาจจะปฏิสนธิด้วยทวิเหตุเป็นต้นก็ได้มันก็ถ้าไปปฏิสนธิเป็นติเหตุได้อาหารสปายะ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 ก็น่าเสียดายนะเพราะศาสนาได้เพียงกุศลกรรมบทไปก็น่าเสียดายสิ่งที่ควรจะได้เพิ่มกว่านั้นก็คือสั่งสมกุศลธรรมกลมุ่มโพธิปัจจะธรรมเอาไว้ให้มากๆนะทั้งสติปทานทั้งสัมมาปทานทั้งอิทธิบาลทั้งอินทรียทั้งพระทั้งโพชงทั้งองค์มรคนะศึกษาปรับความเข้าใจสะสมอริยสัพเพเหล่านี้เอาไว้ให้มากๆ เพราะผู้ที่มีบุญสั่งสมบุญเอาไว้มากเนี่ยนะโดยเฉพาะบุญในพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าบุญที่เป็นโพธิปคัคยธรรมบุญที่นำไปเพื่อการตรัสรู้บุญเหล่านั้นนั่นแหละที่จะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดการตรัสรู้ต่อๆไปเพราะนั้นที่สำคัญก็ต้องพยายามรวบรวมเอาอริยท ร, รัพย์คืออุศลกรรมบทสบเป็นเบื้องต้นโพธิปัจขยธรรมเป็นท่ามกลางอริยมรรคเป็น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 ควักใตเดือนมาทานเนี่ยนะเป็นกรอบเลยภายในยี่สิบวินาทีเสร็จๆ <Okay. S 1> พูดถึงอย่นลุกไปเลยเนยมันน่ากลัวนะวัตตะเนี่ยก็ความในพุทธวงศ์ต่อเลยนะว่าผ่านมาหนึ่งอสงไข่เนี่ยนะจากสมัยของพระนรารทะพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าพระชินเจ้าผู้ไม่กระเพื่อม เปรียบดังสาคอนเคยเห็นทะเลปกติทะเลแล้วก็ไม่เอ่อล้นฝั่งไปเลยนะชันใดพราะผมก็ไม่กระเพื่อมชั้นนั้นหรืออีกในหนึ่งบอกว่าท่ามกลางแม่น้ำอา่าข้าไปท่ามกลางทะเลที่ลึก 84% 000, ดหมื่นพันโยธช่วงแปดหมื่นสี 4, 000, ่หมื่นโยธชั้นล่างจะกระเพื่อมด้วยปลาและเต่าเป็นต้นช่วงสี 4, 000, ่0มื่นสี่หมโยชธทข้างบนเนี่ยนะก็จะ ก็เพิ่มด้วยลมเป็นต้นแต่อายุามกลางตรงกลางตรงนั้นเนี่ยสงบนิ่งเรียกว่าพื้นที่ประมาณสี่พันโยต์จะนิ่งสงบพระองค์ก็ฉะนั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความสงบมีความมั่นคงตั้งมั่นฉะนั้นพระปฐุมุตระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในกับใดกับนั้นชื่อว่ามันกับนะมันกับแปลว่ากับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์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 อย่างสัตว์ทั้งหลายให้เอิบอิ่มอภิสมัยครั้งที่สองได้มีแก่สัตว์ประมาณ3 7 0 0มื่นเพันเก่าไปแล้วเนี่ยนะว่าสมัยที่มีกเกษตรกรรมมากๆสิ่งที่ชาวกเกษตรกรรมทั้งหลายรอรับก็คือน้ำฝนยามเมื่อฝนตกในเขาดีใจถึงน้ำจะท่วมบ้างเขาก็ไม่เสียใจมากแต่เขามีความสุขมากที่ได้ข่าวว่าน้าฝนจะหลังลงมาเพราะหมายถึงข้าวกล้าพืชไร่ทั้งหลายก็จะออก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 ยังสัตว์ทั้งปวงให้ข้ามโอกาสงสารยังหมู่สัตว์หรือยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอฆะสงสารเนี่ยนะให้ข้ามอะไรให้ข้ามกาโมคะด้วยอนาคามีมักข้ามพโวคะด้วยอรหัตตมักข้ามที่โธคะด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยนะข้ามอวิโชคะด้วยอรหัตตมักให้ข้ามพ้นจากขันท่าอายตนะที่ไหลสืบเนื่องไปในอบายทุคติวินิบาศนรกด้วยโสดาปฏิมัก ให้ข้ามออกจากการรมมาพบทั้งมวลด้วยอนาคามิมักให้ข้ามพ้นจากสงสารทุกประเภทด้วยอรหัตตมักเนี่นะการให้โอวาดการสั่งสอนของพระองค์ก็คือเพื่อความพ้นจากกองทุก์นั่นเองรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระนั้นมีสาวกสันนิบาตการประชุมสาวกอรหันมีอยู่3มครั้ง ครั้งแรกนั้นส า, สาวกแสนโกรธประชุมกันนะนั่นเป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่สองบอกว่าพระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีผู้เสมอจําพรรษานาเวภาระบัรพศสาวก9ก้าหมื่นโกรธก็ประชุมกันเป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่สองเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปอีกผู้ออกจากคำออกจากคำนิคมและรัดบวชเป็นสาวก8ปดหมื่นโกรธประชุมกันนั่นเป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่สาม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 แต่ทาบุญรอว่างั้นยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งทําบุญเพิ่มขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะ้คำว่าทําบุญนี่ก็คือการสร้างบารมีสิบเนี่ยนะสร้างบารมีสิบจนกว่าไอการให้เนี่ยให้จนให้ได้ทุกอย่างว่างั้นเถอะจนให้แบบไม่เหลือจริงๆเลยถ้าหากว่าไม่ใช่นักให้คล้ายพระโพธิสัตว์มาเต็มที่เนี่ยนะไม่รู้จะให้เขาบรรลุสมัคผลได้หรือเปล่า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 จึงเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยยินดีที่จะให้เพราะการที่จะให้อย่างนั้นได้จริงๆต้องฝึกให้ยินดีที่จะให้พร้อมที่จะให้สันเสริญการให้ยกย่องการให้ตลอดสียอาสงไข่แสนกลับเนี่ยนะใช้เวลาเนิ่นนานมากกว่าจะกว่าจะให้ไดแ้แบบไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะ